บทที่39วันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติเวียนมาบรรจบครบครอบอีกวาระหนึ่งบรรดาแม่ทั้งหลายต่างพากันมาทําบุญตักบาตรที่วัดป่ามะม่วงหลายคนพาลูกมาและอีกหลายคนลูกพามาเสร็จจากทําบุญตักบาตร แม่ที่ลูกพามาก็พาลูกกลับบ้านหรือไม่ก็ไปเที่ยวที่อื่นต่อส่วนแม่ที่ลูกพามานั้นยังไม่กลับเพราะถูกลูกต้อนให้มาฟังท่านพระครูเทศนอกจากนี้ก็ยังมีแม่ที่ชาราจนมาไม่ไหวลูกจึงมาฟังเทศแทนเพื่อนาไปเทศให้แม่ฟังที่บ้านท่านพระครูรู้ว่าวันนี้ จะได้รับฟังเรื่องราวของแม่หลายแบบหลายประเภทล้วนแต่เป็นแบบและประเภทที่พบพาปัญหามาให้ท่านช่วยแก้ไขและท่านก็เห็นจะต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าทุกวันหลวงพ่อคะช่วยเทศแม่หนูหน่อยเถอะคะ่ะจะทำยังไงให้เขาหายแช่งลูกสตรีอายุราวสี่สิบซึ่งมากับมารดาอายุประมาณเจ็ดสิบเอ่ยขึ้น เพราะได้คิวก่อนแช่งลูกทำไมล่ะโยมท่านถามคนเป็นแม่ก็มันทำให้ฉันเดือดร้อนฉันก็เลยต้องแช่งมันนางตอบเดือดร้อนยังไงไหนเล่าไปสิคนเป็นลูกสาวจึงเล่าแทนผู้เป็นมารดาความว่าคืออย่างนี้ค่ะหลวงพ่อหนูมีพี่สาวคนหนึ่งอายุห่างกันสิบปี พี่สาวเขาเอาโฉนดที่บ้านไปจำนองธนาคารแล้วก็หนีไปอยู่ที่อเมริกากับพี่เขยหนูไม่มีเงินไปไทยที่ธนาคารเขาก็เลยยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดหนูก็เลยต้องพาแม่ออกไปอยู่ที่อื่นเงินเดือนหนูไม่มากเพราะเป็นข้าราชการก็เลยเช่าบ้านหลังเล็กๆซึ่งไม่สะดวกสบายเหมือนบ้านตัวเองแม่เคยอยู่บ้านหลังใหญ่สะดวกสบายพอมาอยู่บ้านหลังเล็กๆ ขับแคบก็เลยคิดมากโกรธพี่สาวถึงกับสาบแช่งเท่านั้นยังไม่พอยังเผาพริตเผาเกลือแล้วก็เอามาตำํำร้อมกับแช่งพี่สาวหนูไปด้วยตำทุกวันจนมือแตกตําไม่ไหวก็เลยบังคับให้หนูตําแทนหนูไม่ตําเขาก็หาว่าหนูเป็นลูกที่เนรคุณหลวงพ่อว่าหนูเนรคุณหรือเปล่าคะหนูไม่อยากแช่งพี่สาว เพราะมันคงจะเป็นเวรกรรมของเขาที่พี่เขยคงจะหลอกให้เขาทําเช่นนั้นหลวงพ่อช่วยเทศแม่หนูหน่อยเถอคะค่ะหนูเครียดกับเขามากหนูกลับจากทํางานก็เหนื่อยพอแล้วยังต้องมานั่งตําพริกตําเกลือที่เขาแช่งพี่สาวอีกคนเป็นลูกเล่าฉอดเพราะกดเก็บมานานท่านพระครูยังไม่ทันได้พูดอะไร คนเป็นแม่ก็ชิงพูดก่อนว่าฉันมันคนอาภัพจ่าหลวงพ่อมีลูกก็พึ่งไม่ได้สักคนคนโตก็ล้างพลานคนเล็กก็ไหวาวานอะไรไม่ได้แค่ให้ช่วยตำพริกตำเกลือหน่อยก็บ่นว่าเหนื่อยก็หนนเหนื่อยจริงๆนี่แม่ดูแลคนไข้แต่ละวันละวันก็เครียดพออยู่แล้วแม่ยังมาเพิ่มความเครียดให้หนูอีกลูกสาวต่อว่าแม่ หลวงพ่อฟังสิมันเถียงฉอดๆไม่รว้ใครเป็นแม่ใครเป็นลูกกันแน่พูดอย่างน้อยใจแล้วเลยน้ำตาไหลออกตาจนได้ท่านพระครูจึงพูดปลอบสตรีวัยเจ็ดสิบว่าใจเย็นๆนะโยมนะค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้อย่าร้องหม่มร้องไห้ไปเลยสงสารลูกเขาบ้างลูกคนไหนละ่ะ หลวงพ่อจะให้ฉันสงสารลูกคนไหนก็นลูกที่มาด้วยนี่แหละอย่าให้เขาต้องมีบาปมีกรรมพระโยมเลยมีบาปกรรมเพราะฉันยังไงไหนหลวงพ่อเข้าข้างมันหรือหลวงพ่อว่าฉันผิดใช่ไหมนางถือโอกาสเล่นงานท่านพระครูโทษฐานที่ไปเข้าข้างลูกสาวอาตมาไม่ได้เข้าข้างเขา แต่ที่พูดว่าให้สงสารลูกหนะหมายความว่าถ้าโยมร้องไห้เพราะลูกก็เท่ากับทาให้ลูกบาปลูกที่ทาให้พ่อแม่ต้องน้ําตาตกหนะบาปมากรู้ไหมอย่าให้ลูกต้องบาปเลยนะ <c oughs> <c oughs> เหนะ็นท่านไม่เข้าข้างลูกสาวคนเป็นแม่ค่อยคลายความโกรธลงแล้วจึงถามท่านว่าลูกสาวคนโตมันทำให้อีฉัน้นไม่มีที่สุกหัวนอน หลวงพ่อว่ามันบาปไหมฉันน่ะร้องไห้กับมันไม่รู้จักเท่าไรถึงได้สาบแช่งให้มันฉิบหายตายโหงฉันเผาพริกเผาเกลือแล้วก็ตาแช่งมันทุกวันโยมอย่าไปแช่งลูกเลยเขาทำอย่างนั้นเขาก็บาปมากพอแล้วโยมไปแช่งเขาโยมก็จะพลอยบาปไปด้วยทำไมถึงไปเอี่ยวบาปกับเขาด้วยละ่ะเอี่ยวคนเดียวไม่พอ ยังให้ลูกสาวคนเล็กเอี่ยวด้วยอีกเลิกทำเถอะนะอาตมาขอบินธบาตฉันจะเลิกก็ต่อเมื่อรู้ว่ามันตายแล้วนางพูดอย่างอาฆาตถ้าเช่นนั้นเลิกได้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้เขายิ่งกว่าตายเสอีกเขากำลังตกนรกทั้งเป็นตายเสยยังดีกว่าได้ยินว่าลูกสาวตกนรกทั้งเป็น วิญญาณแห่งความเป็นแม่ก็กลับคืนมานึกสงสารลูกสาวจึงถามท่านพระครูว่าเขาเป็นอะไรละ่ะหลวงพ่อช่วยเขาด้วยนะนึกว่าเห็นแก่ฉันเถอะนางขอความช่วยเหลือจากที่เรียกลูกว่ามันก็กลับมาเป็นเขา อาตมาช่วยไม่ได้หรอกคนที่ช่วยได้ก็คือพ่อกับแม่เขาแต่พ่อเขาตายแล้วไม่ใช่หรือทาไมหลวงพ่อรู้ละ่ะก็อาตมาเห็นหน้ายมก็รู้แล้วหน้าโยมบอกชัดเจนว่ายมเป็นไม้แล้วหลุดสาวคนเล็กของฉันเป็นไม้หรือเปล่านางถามเพื่อทดสอบว่าท่านรู้จริงหรือไม่จะไม้ได้ยังไงก็ยังไม่ได้แต่งงานนี่ แต่คนโตเป็นใหม่เรียบร้อยแล้วเพราะสามีเข้าไปมีเมียใหม่เอาเงินจากลูกสาวโยมจำนำบ้านไปให้เมียใหม่หมดตอนนี้เขาพากันกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วส่วนลูกสาวโยมก็ตกระกรรมลำบากอยู่ที่อเมริกาโนนพี่สาวหนูถูกพี่เขยหลอกจริงๆนั่นแหละประโยคหลังท่านพูดกับสาววัยยี่สิบ หลวงพ่อช่วยบอกหน่อยถ้าว่ามันอยู่ที่ไหนฉันจะตามไปฆ่ามันนางพูดอย่างโกรธแค้นข่าเขาทำไมล่ะโยมถ้าโยมข่าเขาโยมก็ต้องติดคุกขนาดอยู่บ้านหลังเล็กก็ยังบอกว่าอึดอัดถ้าเข้าไปอยู่ในคุกไม่อึดอัดยิ่งกว่านี้หรือเอาโหสิกรรมให้เขาเนะมันเป็นเวรเป็นกรรมที่โยมกับลูกสาวทากับเขาไว เมื่อเขาตามมาทวงก็ใช้ๆเขาไปจะได้หมดหนี้หมดสินกันถ้าไปโกรธเคืองแค้นก็เถากับผูกเวรกันต่อไปไม่มีวันจบสิน้นฉันกับลูกไปทำเวรทำกรรมอะไรกับมันหลวงพ่ อ, อบอกหน่อยได้ไหมอาตมาบอกได้แต่บอกแล้วยมจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบทางที่ดียมรู้เองดีกว่าอยากรู้ไหมละ่ะ อยากจะ้ะฉันจะรู้ได้ยังไงไหนหลวงพ่อบอกหน่อยก็มาเข้ากรรมฐานยังไงละ่ะมาเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันตั้งใจปฏิบัติไม่พูดคุยกับใครแล้วยมก็จะระลึกชาติได้จะได้รู้ว่าไปทำกรรมอะไรกับเข้าไว้งั้นฉันไม่อยากรู้ก็ได้เอาละฉันจะไม่คิดถึงมันแล้วว่าแต่ว่า หลวงพ่อช่วยลูกสาวฉันด้วยนะช่วยให้เขาพ้นจากการตกนรกทั้งเป็นนางขอร้องอาตมาบอกแล้วไงว่าอาตมาช่วยไม่ได้เพราะเป็นคนอื่นคนที่จะช่วยได้ก็มีแต่โยมเท่านั้นเพราะพ่อของเขากอตายไปแล้วว่าแต่โยมจะช่วยลูกไม่ล่ะช่วยจ้ะหลวงพ่อช่วยบอกฉันด้วยว่าจะช่วยลูกได้อย่างไร โยมก็ต้องเลิกสาบแช่งลูกแล้วก็ต้องสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาประเดี๋ยวอาตมาจะให้แผ่นพับไปสวดโยมสวดทุกวันแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกไม่ช้าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเขาก็จะทำงานเก็บเงิเงนมาซื้อบ้านให้โยมอยู่อีกไม่เกินสามปีเขาจะกลับมาซื้อบ้านให้ แต่ถ้าโยมสาบแช่งเขาอย่างที่ทำอยู่ก็รับรองว่าเขาจะต้องทุกข์ทรมานจนกว่าจะตายเพราะคำพูดของแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์มากถ้าพูดให้ลูกดีลูกก็จะดีตามปากของเราแต่ถ้าพูดสาบแช่งเขาเขาก็จะเป็นไปตามปากของเราหวังว่าโยมคงเข้าใจนะจากหลวงพ่อฉันเข้าใจแล้ว ต่อไปนี้ฉันจะไม่แช่งลูกแต่จะให้พรเขาขอให้เขามีความสุขความเจริญฉันเห็นจะต้องกราบลาจะรีบกลับไปสวดมนต์ให้ลูกหลวงพ่อขอบทสวดมนต์ฉันด้วยท่านพระครูหยิบแผ่นพับบทสวดมนต์วางลงตรงหน้าสตรีสูงวัยนางหยิบขึ้นมาอ่านดูแล้วก็พูดอย่างมุ่งมั่นว่า ถึงจะอ่านยากลําบากแค่ไหนฉันก็จะอ่านแล้วจะท่องทุกวันจนกว่าจะจําได้ฉันต่อต้องสวดมนให้ลูกฉันให้ขึ้นมาจากนารกให้ได้หลวงพ่อเอาใจช่วยฉันด้วยนะจ๊ะไปลูกเรากลับไปสวดมนให้พี่สาวของลูกกันเถอะนางบอกลูกแล้วก็ชวนกันกลับสองแม่ลูกลุกออกไปแล้ว แม่ลูกอีกคู่หนึง่งซึ่งวัยใกล้เคียงกันกับคู่แรกก็ครานเข้ามาแทนที่ลูกสาวกราบเรียนท่านพระครูว่าหลวงพ่อคะช่วยเทศสอนแม่หนูหน่อยแกเชื่อแต่หมอดูหนูกลุ้ใจ แ, แย่อยู่แล้วหมอดูที่ไหนละ่ะหมอดูแถวบ้านคะ่ะเขาชอบดูไพ่ป๊อกให้แม่แล้วก็ทำนายต่างๆนาน า, นาให้แม่เปลี่ยนชื่อบ้างละ ตั้งสารพระภูมิให้บ้างละนี่ก็มาบอกอีกว่าหนูตั้งพระพุทธรูปผิดให้ตั้งใหม่ไม่เช่นนั้นจะทามาหากินไม่ขึ้นหรือไม่ก็จะเกิดไฟไหม้บ้านหนูไม่อยากเชื่อแต่แม่เขาเชื่อก็รบเร้าให้ตั้งเสียใหม่หนูก็เลยพามาหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อช่วยเทศแกนหน่อยลูกสาวพูดจบคนเป็นแม่จึงฟ้องบ้างว่า พ่อช่วยเทศสอนลูกเช้าฉันหน่อยเถอะมันหัวดื้อหัวรั้นฉันบอกสอนอะไรมันก็ไม่ฟังอย่างเรื่องตั้งพระพุทธรูปก็เหมือนกันหมอดูเขาบอกให้ตั้งหันหน้าไปทิศตะวันออกเขาก็ตั้งหันหน้าไปทิศเหนือหมอดูเขาทักก็ไม่ยอมเชื่อขนาดจริงจกตุกแกทักกระยังต่องเชื่อนี่คนทักแท้แท้เขายังไม่ยอมเชื่อ ก็ถ้าตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเท่ากับหันไปห้องสุ ข, ขาหนูก็เลยหันหน้าไปทิศเหนือแทนหลวงพ่อว่าหนูผิดหรือเปล่าคะ่อนขอความเห็นไม่ผิดหรอกหนูทําถูกแล้วหลวงพ่อถือว่าเอาความสะดวกไว้ก่อนถ้าจะถือก็อย่าหันไปทางทิศตะวันตกทิศเดียวก็อพอส่วนทิศอื่นๆไม่เป็นไร และที่หลวงพ่อจะห้ามอีกอย่างนึงก็คืออย่าไปนอนห้องพระทำไมนอนห้องพระไม่ได้คะหนูว่าดีที่อีกจะได้ไม่ถูกผีหลอกเพราะผีต้องกลัวพระล่อนออกความเห็นที่หลวงพ่อไม่ให้ น, นอนห้องพระก็เพราะจะไปเกะ ก, กะเทวดาเขาบ้านไหนมีห้องพระเทวดาจะลงมาสวดมนต์เวลาเที่ยงคืน หนึ่งนาทีนี่หลวงพ่อรู้มาจากแม่ชีท้องก้อนนะแม่ชีบอกว่าเทวดาจะมาสวดมนต์เวลาเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีถ้ามีคนนอนอยู่ในห้องพระเทวดาก็ไม่ลงมาสวดเพราะเหม็นกลิ่นมนุษย์เทวดาเขาบอกแม่ชียอย่างนี้ซึ่งหลวงพ่อก็เชื่อตามนั้นเพราะในคัมภีร์มีบอกไว้ว่า กริ่นมนุษย์ย่อมปรากฏแกเทวดาทั้งหลายเหมือนซากศพที่ผูกไว้ที่คอเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรนอนในห้องพระตกลงว่าตั้งพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศเหนือไม่ผิดใช่ไหมคะสตรีวัยสี่สิขอคำยืนยนันเรื่องการตั้งพระพุทธรูปไม่ผิดไม่ต้องไปเชื่อหมอดูเพราะหมอดูก็คู่กับหมอดาว เราอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับหมอดูเลยนะโยมนะอาตมาสอนลูกศิษย์เสมอว่าไม่ต้องไปหาหมอดูให้ดูดวงเพราะไม่ใจดวงมาทาให้เราดีเราต้องทาดีให้กับดวงจึงจะถูกทาดีให้กับดวงยังไงล่ะจ๊ะคนเป็นแม่ถามก็มันสวดมนต์เจริญกรรมฐานยังไงล่ะไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้ว ไม่ต้องไปเสียเงินให้หมอดูเข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจจ้ะหลวงพ่อพูดแบบนี้หมอดูก็หากินไม่ได้นะสินางยังคงห่วงหมอดูดูอย่างโยมก่็แล้วกันขนาดลูกเขาอุตส่าห์พามาหาจะให้อาตมาเทศให้ฟังโยมก็ยังไม่เชื่อที่อาตมาเทศคนอย่างโยมมีอยู่มากมายในสังคม เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหมอดูจะตกงานก็ไม่ว่ากันนะหนูนะประโยคหลังท่านหันมาพูดกับคนเป็นลูกหลวงพ่อไม่มีทางช่วยแม่หนูได้เลยเหรอคะโนเวท่านตอบเป็นภาษาอังกฤษและก็บอกเหตุผลว่าหลวงพ่อยึดหลักคนบ้าอย่าถือคนดืออ้อย่าสอนคนจรอย่าคบ คนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่านายคนอายอย่าล้อคนมังอขอโทษอย่ากโกรธเคืองแม่ของหนูเข้าดือ้อหลวงพ่อจึงไม่สอนแต่ก็ไม่เป็นไรแก่ที่แม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้แก่ที่ลูกหนูหมั่นสวดมนต์และอธิษฐานจิตขอให้แม่มีความสุขและมีความเห็นถูกต้อง ไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนได้ต้องแก้โดยบุญกุศลของลูกเพราะแม่เขาไม่มีบุญกุศลไม่ต้องท้อใจสร้างบุญกุศลเข้าไว้มากๆและหนูจะแก้ปัญหาได้เชื่อหลวงพ่อนะค่ะหนูจะเชื่อหลวงพ่อนั้นหนูกับแม่ขอกราบลาค่ะรายที่สามลูกชายพาพ่อมาขอให้ท่านพระครูเทศสอน จะรอให้ถึงวันพ่อแห่งชาติก็คงจะไม่ทันการหลวงพ่อครับพ่อผมเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ขายนาขายไร่ที่เป็นมรดกของแม่แม่ผมตายไปยังไม่ทันเผาพ่อก็ประกาศขายนาขายไร่พ่อบอกว่าเอาเงินมาซื้อแหวนเพชรกับรถเกง๋งไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าไวยกลับหน่าสิ ถ้าเลี่ยงคำว่าตัณหากลับเพียงเห็นหน้าท่านก็รู้ความเป็นมาเป็นไปของบุรุษผู้นี้โยมบอกมาชิวัตรทำไมถึงอยากได้เพชได้รถเก๋งตอนอายุเจ็ดสิบห้าท่านบอกอายุอนามของเขาได้ถูกต้องผมน่ะอยากได้มานานแล้วแต่แม่บ้านไม่ซื้อให้พอเขาตายผมก็เลยซื้อเสียหายหายอยาก อยากได้อะไรผมก็จะซื้อแล้วไม่ห่วงลูกห่วงล้านบ้างหรือขายที่ขายทางเอาเงินมาซื้อเพชรซื้อรถต่อไปลูกล้านจะเป็นยังไงเป็นยังไงกอด่างผมเลี้ยงมันมาโตแล้วทุกยากกับพวกมันมามากผมก็จะหาความสุขใส่ตัวบ้างแล้วแน่ใจรึว่าจะมีความสุขโยมขับรถหม่เป็นแล้วจะซื้อไปทำไม ผมก็จ้างครูมาสอนขับเข้าตอบไม่จริงมั้งอนุญาตให้อาตมาพูดความจริงไหมล่ะแต่ถึงไม่อนุญาตอัตมาก็จะพูดเพื่อประโยชน์ของโยมเองอย่าหาว่าอาตมาประจานเลยนะอาจารย์รู้ไหมว่าทำไมพ่ออาจารย์ถึงได้เป็นอย่างนี้ท่านถามคนเป็นลูกและรู้ได้ว่าเขาเป็นอาจารย์ ไม่ทราบครับหลวงพ่อแต่ก่อนพ่อไม่ได้เป็นอย่างนี้เพิ่งจะมาเป็นตอนแม่เสียโยมจะให้อัตมาพูดไหมละ่ะท่านถามบุรุษวัยเจ็ดสิบห้าท่านอยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะถ้าสายร้ายป่ายสีผมท่านบาปเองนั่นแหละพูดแบบประชดประชันคิดว่าท่านจะต้องไม่รู้เรื่องของเขาที่กำลังตกในห้วงรัก กับแม่หม้ายสาววัยสามสิบเอ็ดอาตมารู้รู้ว่าโยมกำลังอยู่ในห่วงรักกับแม่หม้ายวัยสามสิบเอ็ดท่านพูดตรงกับที่เขากำลังคิดทุกประการที่จะซื้อรถเกง๋งนี่ก็ซื้อให้เขาขับใช่ไหมละ่ะจริงเหรอพ่อลูกชายถามอย่างเอาเรื่องเรื่องข้องข่าเองไม่เกี่ยวเขาว่าลูกชาย ไม่เกี่ยวได้ยังไงพ่อจะเอาสมบัติของแม่ผมไปบำเรอมันผมยอมไม่ได้ผมจะยิงมันให้ตายด้วยมือของผมเองติดคุกติดตารางผมก็ยอมลูกชายพูดอย่างโกรธแค้นเองจะทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเองยิงเขาก็ยิงข่าด้วยเขายอมปรีชีวิตให้หญิงคนรักท่านพระครูจึงต้องไก่เกลียวว่าอาจารย์ใจเย็น ยกให้เป็นหน้าทีของอาตมาเดี๋ยวจะเทศให้น้ำตาร่วงเลยคนวัยกลับแบบนี้ต้องเทศให้หนักนี่ม์หลวงพ่อเธอครับผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอาจารย์วัยห้าสิบพูดอย่างหมดอะไรตายอยากโยมอาตมาจะบอกความจริงอะไรให้นะความจริงที่ว่านั่นก็คือโยมกำลังถูกผู้หญิงคนนี้หลอกโยมรู้ไหม ว่าเบื้องหลังเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นนักปอกลอกเที่ยวหลอกใครต่อใครมาหลายคนแล้วแท้ที่จริงเขาไม่ได้รักตัวโยมหรอกรักแต่เงินของโยมผู้หญิงที่ไหนจะมารักผู้ชายแก่คราวพ่อไม่มีหรอกโยมอย่าได้ฝันไปเลยดูสิเนื้อนหนังก็เหยียวย่นยานหาความล่อเล้าไม่ได้ เขาบอกผมว่าจะพาไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมในกรุงเทพและผมจะเต่งตึงเหมือนนมนมบุรุษสูงวัยยังคงฝันเฟื่องฝันไปเถอะถ้าทำอย่างนั้นได้จริงๆคนก็ไม่ต้องแก่เท่ากันแล้วยังจะเชื่อเขาอีกรึเอาละ่ะยังไม่เชื่ออาตมาก็ไม่เป็นไรฟังต่อไปก็แล้วกันถ้ายมยังไม่ตัดใจจากผู้หญิงคนนี้ โยมจะหมดเนื้อหมดตัวเพราะเขาแล้วโยมก็จะเสียดายเงินจนช็อกตายเมื่อตายก็ต้องไปตกนรกต้องปีนต้นยิ้วสูงส6บหกยอดท่านพูดยังไม่ทันจบบุรุษวัยเจ็ดสิบห้าก็ทักท้วงว่าจะปีนต้นยิ้วได้ยังไงในเมื่อเมียผมตายไปแล้วผมไม่ได้ไปเล่นชู้นี่นาะถูกละเมียโยมตายไปแล้วก็จริง แต่ผัวผู้หญิงคนนั้นยังไม่ตายเขายังอยู่ด้วยกันผู้หญิงคนนี้มีลูกมีผัวตั้งแต่ก่อนรู้จักกับโยมเดี๋ยวนี้เขาก็ยังอยู่ด้วยกันเมื่อวานนี้ที่มาเอาเงินจากโยมไปห้าหมื่นเขาบอกว่าจะไปดาวรถนะ่ะแท้ที่จริงเขาเออกไปดาวบ้านให้ผัวเขาถ้าไม่เชื่อตามไปดูให้เห็นกับตาก็ได้เท่านั้นเองบุรุษวัยเจ็ดสิบห้าถึงกับน้าตาร่วงพลู เท่านั้นเองบุรุษวัยเจห้าถึงกับน้ำตาร่วงพลูกูจะฆ่ามันอีกคนลวงโลกกูจะฆ่ามันเขาพูดอย่างโกรธแค้นท่านพระครูจึงว่าไม่ต้องฆ่าเขาก็ต้องตายอยู่แล้วแต่กว่าจะตายโยมก็หมดเนื้อหมดตัวเพราะเขาถ้าโยมฉลาดก็เลิกกับเขาเสียถ้าไม่เลิก อาตมา ก, ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงหลวงพ่อก็ช่วยทําเสน่ห์ให้ผมแล้วก็ให้มันเลิกกับผัวมันเขายังอุตส่าห์ตั้งความหวังท่านพระครูมองบุรุษตรงหน้าอย่างสมเพชนานๆท่านจึงจะมองเห็นคนแบบนี้เพราะทนไม่ไหวจริงๆนานๆท่านจึงจะมองคนแบบนี้เพราะทนไม่ไหวจริงๆโยม อาตมาทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแล้วอาตมาก็ไม่รู้จะช่วยโยมไปทำไมในเมื่อโยมยังไม่ช่วยตัวเองเอาละเมื่อเสร็จธุระแล้วก็กลับได้ท่านลงทุนเชิญกลับหลวงพ่อผมคิดได้แล้วผมจะเลิกกับมันครับผมขอเข้ากรรมฐานอยู่ที่นี่เลยนะไม่อยากกลับไปเห็นหน้ามันเขาพูดทั้งน้ำตา ท่านพระครูรีบรับปากว่าได้สิโยมอยู่ที่วัดนี่แหละดีแล้วจะได้ไม่เสียงเงินพรุ่งนี้เขานัดจะมาเอาเงินอีกแสนหนึ่งใช่ไหมล่ะท่านอุสาหรู้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อนี่เก่งจริงๆสงสัยจะเป็นพระอรหันต์เพราะรู้ไปเสียทุกอย่างอย่างเรื่องของผมเนี่ยผมไม่เคยบอกใคร ลูกชายผมยังไม่รู้แต่หลวงพ่อกลับรู้ถ้าผมไม่เชื่อพระอาหารหันต์แล้วจะไปเชื่อใครเขาพูดเหมือนชมท่านพระครูทว่าความจริงเขาไม่อยากเสียเงินนั้นต่างหาก